มันถูกหรือผิดเราเข้าไปลงไปในช่องไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอย่าไปประคองไว้ก็แล้วกันอย่าไปแกล้งทาใจให้เบาๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นเราฝึกไปเรื่อยคนทั่วทั่วไปนะภาวนาไปช่วงหนึ่งมันจะเห็นในโลกข้างนอกยุง่งข้างในนิ่งๆมันมีความนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมันมีความนิ่งความสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายข้างนอกวุ่นวายข้างในนิ่งๆนี่ก็ยังไม่ผิดอะไร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 สงสัยแล้วรู้ไหมรู้ลงปัจจุบันเด้เรื่อย ๆ, ๆอย่างเงี้ยเนี่ยหนีอีกแล้วรู้สึกไหมเอาไปนับนะห้านาทีได้เป็นร้อยเลย <c oughs> ถึงถอกให้ทำห้านาทีนั้นะนะไม่ต้องมากทำมากเครียดขออนุบาลส ก, การ์ครับโยมนั่งตามสบายเลยนะนั่งก<ช>ัตสมัดก็ได้นั่งกาอี้ก็ได้ผมค่ายเขาเรียนถามว่าที่พระพุทธเจ้าท่านกับกับพระนรนว่า